ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าระลึกชาติวนหลังได้อย่างเนี้ยท่านก็บอกว่าศินห้าสมัยท่านเรารักษาสินห้าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือศินห้าผู้มีศินห้าแล้วก็รักษาบโบสถทุกวันพระแปดข่ำสิบห้าข่ำแสส่วนศินห้านั้นเป็นสินห้าอยู่ในตัวของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแสดงว่าคน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 เขาเลยประมวลประมวลข้อคิดหลังจากอ่านธรรมชุดต่อๆกันะครับเขาประมวลออกมามีอยู่สองสามหน้าถ้าใครไม่จะอยากจะจะอ่านแนวความคิดแล้ ว, ว่กหนังสืออยู่ในนี้น่ะมีอะไรบ้างก็อ่านแถวๆนี้ก็ได้เพนะราะว่าเขาประมวลไว้แล้วนะยังค่อยอ่านเข้าไปอ่านข้างในก็ได้เนะนี่ยมีหนังสืออยู่สามเล่มแล้วก็มีเอ็มพสาม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 เวลาหลวงพ่อพูดเนี่ยห้ามถ่ายรูปนละลูกหลานัแต่าอย่าให้มีแฟลชเข้าตาเออแล้วก็จะทรงเสียงถ้ามีโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนเออในขณะที่หลวงพ่อจะเทศถ้ามีเสียงขึ้นมาเน่ะพ่อหลวงพ่อเนี่ยไปภาวนาไปนั่งอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าสงบสงัดหลวงพ่อนั่งหลับตานิ่งออการกองหาธรรมะเออ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 ปี2005เนี่ยเป็นเป็นปีกลืงพุทธกาลนหลวงพ่อบวชเป็นสมณีนกลืงพุทธกาลปี2005เป็นสมณีณอยู่8ปีปีปเป็นสมณีนแ8ปีเป็นพระปี08นดะดูสิพวกเราได้เกิดมายังลูกหลานบางคนก็คงยังไม่เกิดมั่งนะหลวงพ่อเป็นพระเนี่ยปี08ปีนี้ท่านนับดูนะ่ปีที่เป็น58เป็นปี59นะ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 อาตมาภาพทูลกระบอกได้มาฟังพระธรรมเทศนาวันนี้การเทศกับเทศด้วยความจําเป็นและจําใจเพราะว่าพระหาพระหาองค์เทพไม่ได้ก็เลยให้อาตมาภาพขึ้นมาเป็นองแสดงธรรมแต่อาตมาภาพเป็นพระป่าทั้งรุน่นบวชเป็นเนรน้อยของหลวงปู่ล่าแปะปีและขมายอยู่พระองค์หลวงตา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 จริงมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อก็จะได้มาแนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าการฟังในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทาความเห็นให้ถูกต้องได้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 วิชาทางโลกเหมือนเรามีเรามีไฟฉายกระบอกหนึ่งนะมีไฟฉายกระบอกหนึ่งเราก็ฉายไปในทางในที่มืดแล้วเขาไปเห็นต้นไม้ภูเขาไปเห็นโขดหินไปเห็นลําธารไปเห็นสิทธิสัตว์รส า, าสิงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไปเห็นสัตว์เราก็ศึกษาเรื่องสัตว์ไปเห็นสัตว์ก็ศึกษาเรืเรเรร่องสัตว์ไปเห็นต้นไม้ก็ศึกษาต้นไม้ไปเห็นลำธารก็ศึกษาเรื่องลำธาร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 ออพอจะนั้นก็รู้เลยว่าอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากหัวเถียนทั้งหมดที่มันเป็นแสงสว่างที่ไปรู้เห็นเรื่องต่างๆน่ะเ อ, อทีนี้ก่อนมองเข้ามาหาเถียนดับที่หัวเถียนเ อ, อดับที่หัวเทียนคือดับดูอยากจะรูอ้อมันที่ไปออกไปรู้ต่างๆออกไปจากตัวนี้อีกต่างหากนั่นแหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ดูที่ใจทีนใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมเนี่ย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 เดี๋ยวนี้ เ, เราก็อายุถึงเจ็ดสิบกว่า mm hmm. เกือบจะแปดสิบแล้วเรียนวิชามายังมองไม่เห็นเกิดที่จะสิ้นสุดวิชานะ่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเรียนเท่าไห ร, ร่ก็ยิ่งกว้างไปเลยกว้างไปเลยรู้ไปเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเ อ, อวิชาทั้งโลกเนี่ยแต่มีนะแ ต, แต่อาจารย์เนี่ยได้ยินว่ามลีลือสีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในป่าหิมาพานมีลือสีกลุ่มนั้นเขาว่ารู้จัก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 แต่ลือีกลุ่มนี้เป็นฤือีพระปัิเจกเท่นี่พระปัจเจกพุทธเจา้าท่านอยู่เป็นกลุ่มของท่านอยู่ในป่าหิมาภานพอเข้าไปก็ไปกราบท่านท่านเออท่านพระคุณท่านครับท่านรู้จักที่จุดจบของวิ ช, ชาไหมวิ ช, ชาที่มีจุดจบของวิ ช, ชาไหมพระปัิเจกพุทธเจ้ารู้พวกเราได้รู้จุดจบของวิ ช, ชาถ้าอย่างนั้นผมขอเรียนขอศึกษาด้วย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 ทำจิตใจให้สงบสัก่อนทําจิตใจให้นิ่งให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วท่านก็ให้พิจารณาพิจารณาต่อให้ดูย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะว่าจุดจบของวิชาณออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นคนคิดขึ้นมาแต่เขาว่าสมองนะงเดี๋ยวทุกวันนี้เขาว่าสมองเพราะอะไรเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาว่าสมองคือเห็นสมองเป็นตัวคิด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 ยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่ไปคือหายใจนี่แหละคือปัจจุบันเออที่ยังไม่ได้หายใจนั่นะคืออนาคตอนาคตต่อไปภายภาคหน้าอันนั้นคืออนาคตยังไม่แน่นอนแต่ปัจจุบันเนี่ยอดีต ท, ที่มันผ่านไปแล้วคือผ่านมาแล้วมันให้มันดีก็ดีมันแล้วมันชั่วมก็ชั่วมาแล้วมันเป็นเพียงบทเรียนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี่ดีที่สดุดให้ดูในปัจจุบันมีคุณค่าที่สุดในปัจจุบัน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 อและพระองค์ทาจิตใจให้สงบในปัจจุบันพอถึงถึงเที่ยงคืนน่ท่านภาวนาไม่ลดละนะอกําหนดดูดอีกเี่ยจุตูปะปาแตหยาการจุติและการเกิดการตายของสัพสัตทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี่สัพสัตมีมากเอแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทําไมไม่เหมือนกันเออ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 เ่เป็นสิ่งที่จาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเนีพวกเราควรจะภาวนาเนอะอันนี้คือสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภาวนาทำยังไงเน่ยท่าพวกเราไม่เคยนะเออท่านบอกว่าไม่ต้องมีครูมีใคยมีอะไรหรอกไม่มีไม่มีต้องมีขันห้าขันแปดอะไรถ่านนี่ยหาห ม, มุมสงบสงบเราไป น, นั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ใหม้มีเสียงวุ่นวายเราอยู่ในที่ไหนที่สงบ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 เวลาใจจะใช้ใจจะใช้จะใช้ทางวาจาพูดออกไปด่าใครก็ได้เวลาใจจะใช้เอาร่างกายไปพุบไปฆ่าใครก็ได้ในเมื่อไปฆ่าไปทุกก็แล้วผลแห่งการกระทำมันไหลเข้ามาหามันไหลเข้ามาสู่ใจแล้วที่นี่ใจจะเป็นผู้รับบุญใจเป็นผู้รับบาปพันธันก่อนที่จะทำอะไรลงไปต้องคิดให้หลอบคอบซสีก่อน ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปผมคิดให้รอบคอบซะก่อนนะถ้าเราคิดไม่รอบพอด่าออกไปเป็นผลย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัายาธยมลูกหลานทุกคนนที่ฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้คณะสัาาตยายมได้ฟังและหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาจิตเบื้องต้นว่าอาเซวานาญาบารานัง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 จะทำกิจการต่างๆก็ต้องขึ้นขี่ม้าขี่ช้างไปแต่นี้ก็มีม้าต้นตัวหนึ่งของพระเจ้าพารานสีแต่นี้ก็มีนายนายัทถีคล้ายๆว่าเป็นผู้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงม้าของพระเจ้าแผ่นดินต่อต่อมานายเลี้ยงม้าคนนี้เนี่ป่วยไม่สบายก็เลยลาลางานลางาน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 เออขาเป๋เดินไปคัเพกขัเพกคเพกแต่ความรู้ของเขาเน่แน่นมากในการเรื่องวิชาความรู้ดูแลสัตว์เขาเอาอันนี้แหละเป็นคููดูแล เ, เลี้ยงม้าของพระราชาแตอนนี้เขาก็ให้อ น, นันแหละเป็นคนเลี้ยงพอเลี้ยงนานเขานั้นไม่นานเท่าไหร่พออยู่กับม้าม้าก็เห็นว่าเวลาเดินไป ไปอาบน้ำ huh. ก on. ็ดีเลยเดินไปไปล้างก็ดีเดินไปออกกําลังกายก็ดีเดินไปสู่สนามหญ้าก็ดีไอ้นั้นมันก็เดินนําหน้าใช่ไหมในสารทีเดินน้าหน้าคระเพกคระเพกคระเพกม้าตอนนั้นก็เป็นม้าแสนรู้ทีนเอ๊เออเขาคงจะให้เราเดินแบบนี้กับมังม้าตัวนั้นก็เลยเดินเดินแบบนายนั้นบัดนี่เออพอเห็นนายนั้นเดินมันก็เดินเฮ็ดขาคระเพกกระเพกเหมือนกันว่ะ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 แต่มันก็เดินข้าเพกข้าเพกเออเออเดินข้าเพกไปเรื่อยแต่นี้ก็องค์ข้ามนลตรีทั้งหลายก็แล้วพร่อหมามเป็นม้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะไปทำเล่นๆไม่ได้พื่จะเข้าศึกสงครามเลยก็ต้องขีม่ม้าเออม้าฝีผีเท้าอย่างดีเนี่ยฝีเท้าเก่งตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ทําไมามันเดินอย่างนี้เอออามาราชเสวิกโปรหิตรายจานทั้งหลายอะไรก็มานั่งดูมาตรวจ ด, ดูอีก ตอนี้ท่านองค์ขมลตีท่านหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะเป็นผู้พิสูจน์เองนะขอเวลาจักเจวันอขอพิสูจน์ม้าตัวนี้ตอนี้องค์ขมลตีท่านก็นั่งนั่งแบบตาไม่ขับพียบเลยท้าจ้องเวลาเดินไปใครเป็นคนเดินมันเข้ามาแต่ไงมันทายังไงเออเวลานายสนาหัดถีน่ยมันนำม้าไปเลี้ยงมันนาไปยังไง